เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุครอบครัวก่าสอตอร์รอฟเอ็มร้กพระเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุณโณจากวันปารดอนไอโซมาพบกับท่านูุฟังที่สถานีวิทยุแห่งนี้ใ น, นแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยมาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นธรรมะในทางคาสอนของพระพระุทธเจ้าเรื่องหนึ่งที่สาคัญท่านุฟัง ในทางคําสอนนี้คือเรื่องของความไม่เที่ยงสิ่งอะไรที่มันเที่ยงในโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรต่างๆในโลกนี้จะเป็นอะไรก็ตามเถอะมันก็ไม่เที่ยงทางนั้นซึ่งในความไม่เที่ยงนั้นจะออกมาในลักษณะที่ทำไม่มีสุขเวทนาทำให้เราพอใจหรือออกมาในลักษณะที่เป็นทุกขเวทนาทำให้เราเสียใจเนี่ยมันได้ทางนั้นซึ่งในความไม่เที่ยงนี้มันก็เกิดขึ้นกับ ในรายการนี้เหมือนกันเมื่อก่อนเขามีแค่30นาทีเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มเป็น35นาทีแต่ทําไมเรามีเนื้อหาที่สามารถจะมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังได้เพิ่มเติมมากขึ้นโดยข้าพเจ้าก็จะนําเรื่องราวที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในช่วงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธ ที่ข้าพเจ้าจะมาพบกับท่านบุฟังอยู่เพียงผู้เดียวส่วนวันพฤหัสและวันศุกร์นั้นก็จะมาพร้อมกับคุณสรรสนีนาคพงษ์เนี่ยในวันจันทร์ถึงวันพุธนี้เข ค, คิดว่าจะนําเรื่องราวที่เป็นนิทานนิทานในธรรมบทต่างๆเนี่ยมาเล่าให้ท่านู้ฟังได้ฟังกันเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆตร ง, ง, ง, ง, ง, งนี้สันิดหนึ่งในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือสิ่งที่เป็นพุท ธ, ธพจน์แล้วเขจึงเรียกว่าพุทธศาสนา ศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนคำสอนของพุท ธ, ธะก็จึงเรียกว่าพุทธศาสนาแตนะ่ซึ่งในคำสอนของพุท ธ, ธะหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในคำพีในะคำพีนะที่เรียกว่าพระไตรปิฎกซึ่งคำพีในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่หลายส่วนส่วนที่เป็นพุทธพจน์ล้นๆ้วนก็มีส่วนที่เป็นคำที่อธิบายสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นั้นก็มี เอาทำไมถึงมีสองส่วนไม่ได้มีแค่พุทธโม่างเดียวอันนี้เพราะว่าพระพุทธเาตรัสไว้จุดหนึ่งท้มดฟังที่พูดถึงความเป็นภิกษุเนี่ยภิกษุซึ่งหมายถึงเป็นสาวกในตรรมะใ น, ในนี้เนี่ยนะภิกษุที่เป็นพระภิกษุโกนผมห่มเหลืองนหน้าที่สําคัญอันหนึ่งที่จะต้องมีต่อคารวาสนั้นคือการทําสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งซึ่งในการทําสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งนั้นก็จะมีลักษณะอยู่หลายหลายแบบ เช่นการแปลความหมายคําศัพท์บ้างอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าของเราพูดในภาษาบาลีใช่ไหมแต่เราฟังภาษาบาลีไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าก็ไม่ไเรียนภาษาไทยแล้วกลมาพูดภาษาไทยคนที่ทําคําบาลีแล้วแปลมาเป็นไทยแจ่มแจ้งนี่นี่คือการทาหน้าที่ของภิกษุอันนี้ก็ลักษณะการแปลภาษานี่คืออย่างหนึ่งหรืออธิบายถึงบริบทที่อยู่ในสมัยนั้นเช่นเรื่องราวความสัมพันธ์ ระหว่างพระามคนนี้กับพระราชาองคนน์นั้นในสมัยนั้นเป็นอย่างไรประราติศาสตร์เป็นมาอย่างไรก็อาจจะอธิบายในลักษณะนี้ก็มีหรือเชื่อมโยงไปในพระสูตรอื่นๆที่บอกเอาเรื่องตรงนี้ได้เคยตรัสไว้ในพระสูตรนั้นนี่คือส่วนที่ภิกษุในสมัยต่างๆที่ท่านทําการบันทึกไว้ในคัมภีร์ที่เป็นพระไตรปิฎกเนี่ยได้บรรยายเอาไว้ได้ทําให้จำแจ้งเอาไว้ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นคําอธิบายสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ ต่างๆเหล่านั้นแต่ซึ่งเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทที่จะได้นํามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่ในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยก็เป็นเรื่องราวตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่อธิบายพุทธพจน์นต่พระพุทธเจ้าอาจจะตรัสคําขึ้นเป็นคาํากล่าวแต่เป็นคํากลอนที่เป็นเรื่องราวธรรมะเนี่ยเป็นคํากลอนคำกลาบอาจจะสักสองบทหรือสี่บทแต่ที่เป็นคํากลอนตรงนี้ปรารภเหตุอะไรจึงตรัสเรื่องราวเหล่านี้ขึ้น เราก็จะได้อธิบายขยายความมาไว้หรือบางเรื่องไม่ได้ทราบเรื่องที่มาอะไรต่างๆอย่างไงก็จะแต่งเป็นนิทานเป็นลักษณะเพื่อให้มีการสอนในเนื้อความที่เป็นพุทธพจน์ตรงนั้นและนี่คือส่วนที่มาเป็นนิทานธรรม บ, บทซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ในหลักสูตรของนักเรียนภาษาบาลีในขั้นกกรรเรียนธรรม1 2และ3ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ศึกษาผ่านมาแล้วละ่ะ คิดว่าหลายๆเรื่องมีความน่าสนใจเป็นธรรมะที่เรานำมาใคลครวนแล้วจะเกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมของเราดังจันคิดว่าจะนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาให้ท่านผู้ฟังลองฟังดูแ่และแน่นอนว่าภาษาต่างๆที่เขาทำการแปลมาเนี่ยอาจจะฟังดูโบราณโบราณหรืออาจจะยังคงโครงสร้างของภาษาบาลีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ยากเกินการทําความเข้าใจธรรฟังนณบอดี้จะเข้าใจในเนื้อความเนื้อประโยคต่างๆเหล่านั้นแล้วถ้าเิดว่ธรรมฟังมีความเห็นในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ว่าอย่างไรอาจจะต้องการติดต่อกับข้าพเจ้าว่าต้องการฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเคยได้ยินนิทานเกี่ยวกับเรื่องช้างเกี่ยวกับเรื่องลิงต่างๆอย่างไรเนี่ยอยากจะฟังก็สามารถติดต่อกัน ไ, ได้โดยไปที่เว็บไซต์ puretham.com a p u r e d h a mmb.com ในเรื่องของทิทานธรรมบทนี้ก็จะมาในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพุทธที่พระพเจ้าจะมาพบกับท่านบูฟังในรูปเดียวในวันนี้ก็ได้นําเรื่องของนางยักษศิศีชื่อกาหลีคือสิ่งมีชีวิตนี้เป็นยักษ์แล้วก็เป็นผู้หญิงแล้วก็จึงเรียกว่ายักษศิศีชื่อของนางนั้นก็คือกาหลีในเรื่องราวตรง น, นี้ดราม่ามากท่านบูฟังแต่เป็นเรื่องราวที่ข้ามพบข้ามชาติ หนาะผูกเวียนกันนะฉันฆ่าลูกเธอเธอฆ่าลูกฉันสับกันไปสลับกันมาจนกระทั่งมาเจอพระพุทธเจ้านะห้ามเวีต่างๆเหล่านี้ได้สิ่งที่เรื่องนี้อธิบายนั่นะคือบทที่เราจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำอยู่ลนะอที่บอกว่าเวีย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนีนแต่เวีย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนีนอันนี้คือสั้นๆที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังกันเรื่องราวก็เป็นเรื่องราวของนางยักษิศี นะกับหญิงสาวคนหนึ่งแตนะ่ซึ่งในตอนจบของเรื่องนี้สอดคล้องกับชีวิตประจําวันของชาวชนบทมากๆเลยตระหนังคือข้าพเจ้าเนี่ยอยู่ที่วัดป่า ด, ดอนไหาโศกจังหวัดอุดรธา น, นีนะเวลาไปบินทบาทตามหมู่บ้านเนี่ยในช่วงที่จะเข้าหน้านาที่เขาจะเริ่มทํานากันเนี่ยปกติก็ใช่เห็นกระทงเหมือที่ข้างในมีสิ่งก้ององกินอะไรต่างๆเนี่ยเขาออกมาไว้ตรงบริเวณนอกหมู่บ้านเขาหล้อยกันเรียงรายไปหมดเลย แต่ตอนแ ร, แรกเห็นก็ไม่รู้หรอกว่ามั น, ม, นมันคืออะไรแต่นี่เป็นประเพณีของเขาท่านผู้ฟังเป็นประเพณีที่เขาจะนําอาหารเนี่ยมาเส้นสวงบูชาเพื่อให้การทําการเกษตรนั้นดีฝนดีที่นาดีน้ําดีด ล, ลักษณะนั้นแต่ซึ่งประเพณีตรงเนี้ยมาจากนิทานเรื่องนี้ตัวเองในตอนจบของเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่ายักษีนีเนี่ยหลังจากที่คลายความผูกเวรไปแล้วเนี่ยก็ได้ทําประโยชน์ นะกับคู่อาคาศของตัวเองเนะี่ยที่ได้เลิกล้มเวรกันไปแล้วเนี่ยโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับฝนดีฝนแรงนะซึ่งพอคนอื่นเขาทราบข้อมูลนี้ก็พากันตั้งเครื่องสักการะให้กับนางยักษศ์ศีตรงนี้นะ่ก็จึงเป็นประเพณีตรงนี้ขึ้นมาเรามาฟังเรื่องของนางยักษิศีชื่อกาลีตามมาบทแปลเรื่องที่4ภาคที่1 เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษินีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระเชตวันทรงปราบรหญิงหมันคนหนึ่งรัฐพระธรรมเทศนานี้ว่านหิเวเรนะเวลานิสัมมันตีทะกุทาจะนังอะเวเรนะจะสัมมันติเอสะ ธรรมโมสนันตโนแปลว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลยก็แต่ย่อมระงับด้วยความไม่มีเวรธรรมะนี้เป็นของเก่าดังได้สดับมาบุตรของกุกุมพีคนหนึ่งเมื่อบิดาทากาละแล้ว ทำงานทั้งปวงทั้งที่นาทั้งที่บ้านด้วยตนเองเลี้ยงดูมารดาอยู่ต่อมามารดาได้บอกกับกล่าวว่าพ่อเอ๋ยแม่จะนํานางกุมาริกามาให้เจ้าบูตรกล่าวว่าแม่อย่าพูดอย่างนี้เลยฉันเลี้ยงดูแม่ไปจนตลอดชีวิตได้พ่อเจ้าคนเดียวทํางานทั้งอยู่ที่นาและที่บ้าน ด้วยเหตุนั้นแม่จึงไม่มีความสบายใจเลยแม่จะนำนางกุมาริกามาให้เช่าเขาแม้ห้ามมานดาหลายครั้งแล้วได้นิ่งเสียมานดานั้นออกจากเรือนเพื่อจะไปสู่ตระกูลแห่งหนึ่งลาดับนั้นบุตรถามมานดาว่าจะไปไหนเมื่อมานดาบอกว่าจะไปตระกูลชื่อโนนอย่งนี้แล้ว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 ยังตระกูลนั้นให้ยอมรับแล้วจึงนำมาไว้ในเรือนของสามีต่อมาหญิงมันนั้นได้มีความปรีพิตกว่าข้นานางคนนี้จะได้บุตรหรือบุตรตรีไซจะเป็นเจ้าของสมบัติแต่ผู้เดียวควรที่เราจะทำให้นางนั้นไม่ได้ทารกเลยลดับนั้นหญิงมันจึงพูดกับนางนั้นว่า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 และในครั้งที่สมเมื่อตั้งคันจึงไม่ได้บอกแก่หญิงหมันนั้นต่อมาฝ่ายหญิงหมันเห็นท้องของหนังนั้นแล้วจึงกล่าวว่าเหตุไรหล่อนจึงไม่บอกความที่ตั้งคันแก่ฉันเมื่อนางนั้นกล่าวว่าหล่อนนาฉันมาแล้วทำคันให้ตกไปถึงเสียสองครั้งแล้วฉันจะบอกแกหล่อนทาไม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 นั่งถึงความสงสัยในชีวิตว่าจะรอดหรือไม่จึงได้ตั้งความปรารถนาว่าก็เราถูกมันทำให้ชิบหายแล้วมันเองนำเรามาทําตารกให้ชิบหายถึงสามคนแล้วแบบนี้แม้ตัวเราเองก็อาจจะไม่รอดถ้าเราเคลื่อนจากอัตภาพนี้พึงเกิดเป็นนางยักษณีและขอให้ได้เคี้ยวกินทารกของมันเถิดดังนี้แล้ว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 เมื่อเวลาจะตายแม่เนื้อทำความปรารถนาว่าพวกลูกของเราถูกแม่เสือเหลืองตัวนี้กินเสียถึงสามครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะกินตัวเราด้วยถ้าเราเคลื่อนจากอัธภาพนี้แล้วพึงขอให้ได้กินมันกับลูกของมันเถิดอยงนี้แล้วได้ตายไปเกิดเป็นนางยักษ์ศีฝ่ายแม่เสือเหลือง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 ของนางนั้นมาแล้วถามว่าหญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหนพวกชาวบ้านได้บอกว่าคลอดบุตรอยู่ในห้องนางแย็กซีนีฟังคำนั้นแล้วแซงพูดว่าหญิงสายของฉันคลอดลูกเป็นชายหรือหญิงหนอฉันจะดูเด็กนั้นแล้วก็ไปทำเป็นแลดูอยู่จับทาโรค ก, กินแล้วก็ไป ถึงในหลที่สองก็ได้กินเสียเหมือนกันในหลที่สามนางกุลติดามีคันแกจึงเรียกสามีมาแล้วบอกว่านายนางยักษ์ศีต น, นึงกินบุตรของฉันเสียในที่นี้สองคนแล้วเดี๋ยวนี้ฉันจะไปสู่เรือนแห่งตระกูลของฉันเพื่อคลอดบุตรดังนี้แล้วก็ได้ไปสู่ เรือนแห่งตระกูลของตนคลอดบุตรที่นั่นในการนั้นนางยักษณีนั้นได้เข้าเวนส่งน้ำให้กับท้าวเวสสุวรรณโดยว่านางยักษณีทั้งหลายต้องตักน้ำจากสะอนโนดาษทูนบนสีษะมาเพื่อท้าวเวสสวรรณตามวาระต่อล่วงเวลาสี่เดือนบ้าง ห้าเดือนบ้างจึงพ้นจากวาระนั้นนางยักษินีเหล่าอื่นมีร่างกายบอบชำ้ำถึงความสิ้นชีวิตบ้างก็มีส่วนนางยักษินีนั้นพอพ้นจากวาระส่งน้ำแล้วเท่านั้นก็รีบไปสู่เรือนนั้นถามว่าหญิงสายของฉันอยู่ที่ไหนพวกชาวบ้านก็บอกว่า ห่นจะพบนางได้ที่ไหนเล่าเพราะว่านางยักษณีตนหนึ่งกินทารกของนางในที่คลอดแห่งนี้เพราะฉะนั้นนางจึงไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนเพื่อคลอดบุตร น, นังนี้นางยักษณีนั้นคิดว่าหล่นไปในที่ไหนก็ตามเถิดจะไม่พ้นจากเราได้ดันงนี้แล้วอันกำลังเวรให้อุตสาหาแล้ววิ่งบ่ายหน้าไปสู่เมือง ไฟกุลธิดาในวันตั้งชื่อทารกก็ให้ทารกนั้นอาบน้าตั้งชื่อแล้วเล่าวกับสามีว่าไหนเดี๋ยวนี้เราพากันกลับไปสู่เรือนของเราเถิดจึงได้อุ้มบุตรเดินไปตามทางอันตัดไปในถามกลางวิหารกับสามีมอบบุตรให้สามีแล้ว ลงอาบน้ำในสัะโบกกรณีข้างวิหารเชตวันขึ้นมารับเอาบุตรเมื่อสามีลงใบอาบน้ำอยู่ยืนให้บุตรดื่มนมและเห็นนางยักษินีกำลังมาจำได้แล้วร้องด้วยเสียงอันดังว่านายรีบมาเร็วนี้นางยักษินีตนนั้นเมื่อไม่อาจ ยืนรออยู่จนสามีนั้นมาถึงได้จึงกลับหลังวิ่งบ่ายหน้าไปสู่ภายในวิหารเฉดวันแล้วตอนเวนไม่ระ ง, งับด้วยเวนแต่ระ ง, งับด้วยการไม่ผูกเวนในสมัยนั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมอยู่ในถามกลางบริษัทนางกุลติดานั้นได้ให้บุตร นอนลงเคียงหลังพระบาทพระตถาคตเจ้าแล้วกราบตูนว่าหม่อมฉันขอถวายบุตรนี้แก่พระองค์ขอพระองค์ประทานชีวิตแก่บุตรของหม่อมฉันเถิดก็ในที่นั้นสุมนาเทพกู้สิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูมหาวิหารเจตวันไม่ยอมให้นางยักษินีเข้าไปข้างใน พระศาสดาจึงรับสั่งเรียกท่านพระอานุ์เทระมาแล้วตรัสว่าอา น, นุ์เธอจงไปเรียกนางยักษณีนั้นมาพระเทระเรียกนางยักษณีนั้นมาแล้วนางกุลธิดากราบถุลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางยักษิณีนั้นมาแล้วพระศาสดาตรัสกับหญิงนั้นว่าให้นางยักษณีมาเถิด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 และของกากับนกเขาเหตุไหนพวกเจ้าจึงทำเวนและเวนตอบแก่กันเพราะเวนย่อมระ ง, งับได้ด้วยความไม่มีเวนหาระ ง, งับได้ด้วยเวนไม่แล้วจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่าในการไหนเวนทั้งหลายในโลกย่อมไม่ระ ง, งับด้วยเวนเลย ก็แต่ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวรธรรมนี้เป็นของเก่านะฮิเวเรนะเวรานิสัมมันตีทะกุทาจนังอเวเรนะจะสัมมันติเอสะธมโมสะนันตโนในบรรดาบทเหล่านั้นคำว่านะฮิเวเรนะ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 และมีกลิ่นเหม็นยิ่งกว่าเก่าอีกนี้ฉันใดบุคคลเมื่อด่าตอบชนผู้ด่าอยู่ประหานตอบชนผู้ประหารอยู่ย่อมไม่อาจยังเวนให้ระ ง, งับด้วยเวนได้โดยที่แท้เขาชื่อว่าทำเวนนั่นเองให้ยิ่งขึ้นฉันนั้นนั่นเดียวแม้ในการไห น, ไหน ขึ้นชื่อว่าเวนทั้งหลายย่อมไม่ระ ง, งับได้ด้วยเวนโดยที่แต่เวนย่อมเจริญตายเดียวด้วยประการะนี้และก็ที่ว่าอเวเรนะจะสำ ม, มันติก็แต่ย่อมระ ง, งับด้วยความไม่มีเวนหมายความว่าเหมือนอย่างเวลาที่ของไม่สะอาดมีน้ําลายเป็นต้นเหล่านั้น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 และด้วยการพิจารณาฉันนั้นนั่นเดียวข้อที่ว่าเอสะธรรมโมสนันตโนคือธรรมนี้เป็นของเก่าความว่าธรรมนี้คือความสงบเวณด้วยความไม่มีเวรเป็นของโบราณคือเป็นมรรคคาแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้า และพระกีนาศบทั้งหลายที่ดำเนินไปแล้วในการจบพระคาถานางยักษ์นีนั้นตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลแล้วเทสนาได้เป็นกาถามีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วพระศาสดาได้ตรัสกระยิงนั้นว่าเจ้าจงให้บุตรของเจ้าแก่นางยักษินีเถิดขคแต่พระองค์ผู้เจริญ แต่หมอมชั้นกลัวเจ้าอยากกลัวไปเลยอันตรายย่อมไม่มีแก่เจ้าจากนางยักษิศีนี้นางนั้นจึงได้ให้บุตรแกนางยักษิศีนั้นแล้วนางยักษิศีนั้นอุ้มตาโรกนั้นจุมพิตและกอดแล้วคืนให้แกมารดาแล้วก็เริ่มร้องไห้ลำดับนั้น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 เจ้าอยามิตกไปเลยแล้วตรัสกับหญิงนั้นว่าเธอจงนำนางยักษณีไปให้อยู่ในเรือนของตนแล้วจงปฏิบัติด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีหญิงนั้นจึงนำนางยักษณีไปให้พักอยู่ในโรงกระเดื่องได้ปฏิบัติด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีแล้วในเวลาซ้อมข้าวเปลือก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 นางยักษิศีแม้นั้นก็ดูแลการงานทั้งหลายของชนทั้งปวงอยู่ได้เป็นผู้เกิดลาภอันเลิศและมีบริวารมากแล้วและในการต่อมานางยักษิศีนั้ น, นก็เริ่มตั้งสลากพัดแปดที่แล้วสลากพัดนั้นชนทั้งหลายยังถวายอยู่จนการทุกวันนี้แหลเรื่องความเกิดขึ้นของนางยักษิศี จบแนั่นคือเรื่องราวการถือกำเนิดของประเพณีที่ในชาวชนบทเขาจะมีการนำพาข้าวออกไปบูชาเส้นสูงที่นอกหมู่บ้านเพื่อเป็นความเชื่อว่าจะให้มีน้ำดีมีผลผลิตต่างๆดีแต่ก็มาจากเรื่องราวตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากในนิทานธรรมบทตรงนี้ก็คือเรื่องของการที่ไม่ปลูกเวน คำหนที่ท่านอธิบายไวไ้และอย่างชัดเจนมากท่านผู้ฟังเปรียบเทียบกับการที่เราจะเอาของสกปรกเนี่ยไปล้างของสกปรกให้มันสะอาดเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้มีแต่ที่จะเอาของสะอาดไปล้างของสกปรกให้มันสะอาดขึ้นได้คุณจะเอาคําด่าคําว่าไปล้างคําด่าคำว่าอีกอันหนึ่งให้มันดีขึ้นมานะ่ยมันไม่ใช่แต่ซึ่งอาการที่เอาสิ่งที่ไม่ดี ไปศาสตรใส่สิ่งที่ไม่ดีคิดว่ามันจะดีขึ้นมาเนี่ยลักษณะนี้คืออาการผูกเวรจิตใจแบบได้มีการปลูกอคต์เอาไว้แต่ก็ต้องละอาการผูกเวรนี้เสียพอเราละการผูกเวรนี้ได้เหมือนกับจิตใจที่มันสะอาดมันดีขึ้นมีอะไรมีความอดทนมีอะไรมีเมตตามีอดทนมีเมตตามีความสงบเสงี่ยมมีขันติในนี้จะทําความงดงามเป็นเหมือนกับความใสสะอาด ที่จะเกิดขึ้นได้ในิตใจของเราล้างสิ่งที่มันมาขุ่นมัวเขาดา่าเราบางทีจิตเราเครียดเครียดตึงมึนเอาเราจะเอาสิ่งที่เครียดตึงมึนออกไปได้อดทนไม่เบียดเบียนให้มีเมตตาจิตแล้วในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แต่ถ้ฟังยังมีคําถามข้อเสนอแนะในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อย่างไรก็สามารถเขียนส่งกันมาได้โดยไปที่เว็บไซต์ p พียว t h a m ะ d com p u r e d h a mme.com ท่า น, นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังฟังดูรวบรวมเรื่องราวของนิทานธรรมบททางตาเหล่านี้ได้เหมือนกันข้าพเจ้าพระมาภัยบุญอภิปุณโ น, โนจากวัดป่าดอนไอโศกจุเล่นปอน